การที่พวกเรามาเข้าหาพระาศาสนากันหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะเพราะว่าพวกเรายังไม่สามารถที่จะควบคุมบังคับใจของเราให้กระทำในสิ่งที่เป็นความสุขได้ตลอด ใจของเรายัางมักจะไปทำสิ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์แก่เราแล้วเราก็ไม่รู้จักวิธีห้ามปรามหรือกําจัดวิธีที่ใจเราสร้างความสุขให้กับสร้างความทุกข์ให้กับเราเราเลยต้องมาพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านได้ศึกษา วิธีควบคุมจิตใจไม่ให้สร้างความทุกข์ต่างๆขึ้นมาท่านก็ได้ศึกษาได้ปฏิบัติจนสามารถควบคุมจิตใจของท่านให้ผลิตแต่ความสุขให้สร้างแต่ความสุขให้ละงับการสร้างความทุกข์ต่างๆท่านก็เลย เป็นครูเป็นอาจารย์สาหรับผู้ที่ยังไม่รู้จักวิธีควบคุมจิตใจไม่ให้สร้างความทุกข์ต่างๆควบคุมจิตใจให้สร้างแต่ความสุขต่างๆถ้าเราไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะไม่สามารถที่จะควบคุมจิตใจของเราให้สร้างแต่ความสุข ให้ยุติการสร้างความทุกข์ต่างๆให้กับตัวเราเองความสุขความทุกข์ที่แท้จริงนี้มันเกิดจากใจของเราเองเกิดจากการกระทาของใจเราแต่เราไม่รู้เราถูกความหลงหลอกให้เราคิดว่าความสุขของโวกเราอยู่การแสวงหาสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ คือการหาโล ก, กธรรมโล ก, กธรรมมีอยู่สี่คือลาบยศสารเสริญสุขนี่คือสิ่งที่พวกเราคิดว่าเป็นสิ่งที่จะให้ความสุขกับพวกเราพวกเราก็เลยมุ่งไปสู่การหาลาบยศสารเสริญสุขโดยที่คิดว่าถ้าได้ลาบยศสารเสริญสุขมาแล้วจะทำให้เรา มีความสุขกันแต่เราก็ได้หากันมามากมายหลายกองได้ลาบได้ยศได้สรรเสริญได้ความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายกันมากันอย่างมากมายแล้วแต่ทำไมใจของเรายังมีความทุกข์กันอยู่นั่นก็เป็นเพราะว่าการหาลาบยศสรรเสริญสุขนี้ ไม่สามารถระงับดับความทุกข์ใจต่างๆที่ใจสร้างขึ้นมาเองได้ต่อให้มีลาบยศสรนเสริมมากน้อยเพียงไรก็ต่างต่อให้เป็นมหาเศรษฐีหมื่นล้านแสนล้านต่อให้เป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นประธานาธิ บ, บดีเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นอะไร ต, ต่างๆที่เขาเป็นกันอยู่ต่อให้ได้รับรางวัลได้รับการยกย่องสรรเสริญด้วยรางวัลต่างๆด้วยประกาศสนีบัตรประกาศเกียรติคุณต่างๆเครื่องราชินีเสยาวพรต่างๆต่อให้มีความสุขจากการได้เสพ ร, รูปเสียงกิจรดมากน้อยเพียงไรก็ตามความทุกข์ภายในใจของพวกเรา ก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมเหมือนตอนที่เราไม่มีราภยศสันเส ร, ริญสุขเอราะลยศรรสันเสริญสุคนี้ไม่ได้เป็นผู้ที่จะมากาจัดการสร้างความทุกข์ของใจสิ่งที่จะมากาจัดการสร้างความทุกข์ให้กับใจให้กับพวกเรา อยู่ที่การประบัติปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าตามปฏิบัติตามคําสอนของพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายผู้ที่ได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้าแล้วนําเอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้นําเอาไปปฏิบัติก็จะสามารถกําจัดสิ่งต่างๆที่ใจ ผลิตขึ้นมาเพื่อมาสร้างความทุกข์ให้กับใจใจของเรานี่แหละเป็นผู้สร้างความทุกข์ต่างๆให้เกิดขึ้นสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เขาไม่ได้มาทําให้เราทุกข์กันหรอกเขามีของเขาอยู่อย่างนั้นมาแต่ดั้งเดิมไม่ว่าใครก็ตาม ถ้าไม่ได้พบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วจะไม่รู้จักวิธีกําจัดความทุกข์ต่างๆที่ใจของตอนเองผลิตขึ้นมาพราะไม่รู้ว่าใจของตอนเองนี่แหละเป็นผู้ผลิตความทุกข์ต่างๆขึ้นมาใจมกักจะไปโทษคนอื่นไปโทษสิ่งอื่นว่าทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมา เวลาขาดเงินขาดทองก็โทษเงินทองว่าไม่ไม่มีเงินใช้ก็เลยทุกข์กันเวลาสูญเสียตำแหน่งถูกปล ด, ดก็โทษว่าถูกถูกสูญเสียตำแหน่งไปเลยทาให้ทุกข์กันเวลาสูญเสียสิ่งที่เรารักสูญเสียสิ่งที่เราชอบไปเราก็โทษว่าเนี่ย เพราะการสูญเสียเลยทําให้เราต้องทุกข์กันแต่ความจริงแล้วพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้พิสูจน์แล้วว่าการสูญเสียแต่สิ่งต่างๆไปนี้ไม่ได้เป็นเหตุที่ทําให้ใจเราทุกข์กันพระพุทธเจ้าทรงสละราชสมบัตินี่ไหมสูญเสียสูญเสียราชยศิสรเสริ์สุด ข, ของพระราชโอรสก็มีทรัพย์มีพระราชทรัพย์ก็สลละไป ไอมีเกียรติมีตำแหน่งมียศเป็นพระราชโอรสก็สละไปการมีผู้ยกย่องสรรเสริญเยือนยอก็สละไปเสียไปการมีความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายพระองค์ก็เสียหมดพระพุทธเจ้าเสียลาบยศสรรเสริญสุขแต่พระพุทธเจ้ากลับไม่ทุกข์ พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรุวว่าความทุกข์ที่แท้จริงนั้นเกิดจากการกระทำของใจเองใจทุกข์เพราะว่าใจไม่อยากจะสูญเสียสิ่งต่างๆไปถ้าไม่มีความอยากจะสูญเสียสิ่งต่างๆไปใจจะไม่ทุกข์ พระพุทธเจ้าจึงทรงค้นพบตัดสร้ต้นเหตุของความทุกข์คือความอยากไม่สูญเสียสิ่งต่างๆที่เรามีกันหรือความอยากได้สิ่งต่างๆที่เรายังไม่มีกันเวลาเราไม่มีอะไรเราก็อยากได้กันเวลาเราอยากแล้วเราไม่ได้เราก็เสียใจกันอยากจะได้ตำแหน่งนั้นอยากจะได้ตำแหน่งนี้ พอถึงเวลาเขาไม่ตั้งเราเขาไปตั้งคนอื่นก็เสียใจทุกข์ใจขึ้นมาหรือเวลามีตำแหน่งแล้วถูกเขาปลดก็เสียใจแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่อยากได้ตำแหน่งต่อให้ตั้งต่อให้เป็นอะไรเขาก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนได้หรือไม่ได้เขาก็ไม่เดือดร้อนอะไร ถ้าเขาไม่เสียดายตำแหน่งที่เขามีอยู่ใครจะจะถูกปลดเมื่อไหร่ก็ไม่เดือดร้อนถ้าไม่มีความอยากที่จะมีตำแหน่งแต่มีเพราะว่ามันต้องมีมีเพราะเขาให้มาเขาตั้งมาแต่พอเขาจะเอาคืนไปก็จะไม่เสียใจเพราะไม่มีความอยากมีอยู่แล้ว ไม่มีความอยากมีไม่มีความอยากได้ตาแหน่งไม่มีความอยากได้ลาบยศ ส, สรรเสิญสุขถ้าได้มาก็ไม่ได้ดีใจถ้าเสียไปก็ไม่เสียใจนี่คือใจของพระพุทธเจ้าใจของพระสาวกท่านสงคนพบตูผู้ที่ทําความทุกข์ให้กับเราทาสร้างความทุกข์ให้แก่ใจ เลยหลอกให้ใจทุกข์ก็คือหลอกให้ใจอยากความหลงความไม่รู้ว่าความทุกข์นี้เกิดจากความอยากของใจเองอยากได้สิ่งต่างๆอยากได้าลามยศสารเสริญสุขพอไม่ได้ก็ก็ทุกข์กันดิ้นร น, นกันแสวงหากันพอได้มาแล้วก็อยากจะไม่สูญเสียอยากจะให้อยู่ไปเรื่อยๆ เวลาสูญเสียก็เกิดความเสียใจขึ้นมาอีกนี่แหละคือสิ่งที่พวกเราไม่รู้กันพวกเรามัวแต่ไปหาสิ่งต่างๆกันหาลาบยศสรรเสริญสุขกันเพราะความหลงหลอกให้เราคิดว่าถ้ามีลาบยศสรรเสริญสุขแล้วเราจะมีความสุขกันเราจะไม่มีความทุกข์กัน เราก็เลยดิ้นรนกันอยากกันอยากได้ลาบยศเสรเสรสุกันแล้วพอได้มาแล้วก็อยากให้อยู่กับเราไปเรื่อยๆไม่อยากให้เสียไม่อยากให้จากเราไปพอเวลาอยากแล้วก็ต้องไปหาเวลาหาก็ทุกข์แล้วดิ้นรนกันต่อสู้กันเวลาไม่ได้ก็ทุกข์ เวลาได้มาก็ดีใจเดียเด๋ยววแล้วก็มาทุกข์กับความอยากไม่ให้มันจากเราไปพอได้มาแล้วเดี๋ยวเวลาต้องจากไปก็ทุกข์อีกนี่แหละความทุกข์ต่างๆที่พวกเรามีกันนี้เกิดจากความอยากของพวกเราเองเกิดจากความหลงที่ไม่รู้ความจริงว่าความทุกข์นี้เกิดจากความอยากของเรา เราไปคิดว่าความสุขของเราหรือการดับความทุกข์ของเราอยู่ที่การไปมีสิ่งต่างๆมีลาบยศสรรเสริญมีรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาให้เราเสกกันเราจะมีความสุขกันเราจะไม่มีความทุกข์กันความทุกข์จะไม่เกิดถ้าเรามีลาบยศสารเสริญสุขกัน แต่มันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นตอนนี้เราก็มีลาบยศสรรเสริญสุขกันแต่ทำไมเรายังทุกข์กันอยู่ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าลาบยศสรรเสิญสุขที่เราได้มามันก็ไม่ถาวรมันไม่แน่นอนมันได้มาแล้วเดี๋ยวบางทีมันก็จากออกไปได้เราอยากได้เราอยากให้เขามี มีอยู่กับเราไปเรื่อยๆพอเขาต้องจากเราไปเราก็ทุกข์ใจแต่เราก็ไม่เข็ดเพอเขาจากไปเราก็ไปหาใหม่หาใหม่อีกหาใหม่แล้วก็ต้องมาทุกข์ใหม่อีกมาทุกข์กับความห่วงใยมาทุกข์กับความหึงหวงแล้วก็มาทุกข์กับความเสียดายเสียใจเวลาที่ สิ่งที่เราได้มาต้องจากเราไปพระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติจนสามารถหยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในพระทัยของพระองค์ได้เลยพระองค์เลยไม่ทุกข์กับการมีลาบยศสรรเสริญสุขหรือไม่มีหรือไม่มีพระองค์ไม่เดือดร้อนพ ร, อพระองค์อยู่โดยไม่มีลาบยศสรเสริญสุขได้ สิ่งที่พระองค์มีก็มีแค่สมบัติอยู่8ชิ้นเท่านั้นเองที่เรียกว่าอัฏฐบริขารสมบัติ8ชิ้นของพระพุทธเจ้าของพระสาวก ค, คืออะไรชิ้นที่หนึ่งก็คือบาตรบาตรมีไว้บิณฑบาตเป็นการหาอาหารแล้วก็มีอีกสามชิ้นคือผ้าไตรจีวร เป็นเครื่องนุ่งห่มผ้านุ่งผ้าห่มผ้าห่มมีสองชิ้นผ้าห่มไว้ห่มร่างกายชิ้นหนึ่งแล้วก็ผ้าห่มไว้ห่มกันหนาวอีกอีกชิ้นหนึ่งเป็นสามชิ้นเรียกว่าผ้าไตรกีวอ น, นี่ก็เป็นสมบัติสชิ้นที่พระพุทธเจ้าและภาษาวกมีกันต่อจากนั้นก็มีเข็มขัดลัดเอวอีกเส้นหนึ่ง เป็นชิ้นที่ห้าชิ้นที่หกก็มีดโกนไว้ปรงผมปมปร ง, ง, ง, งหนวดชิ้นที่เจ็ดก็คือเข็มกับได้ไว้สำหรับซ่อมเวลาจีวรขาดเวลาจีวรฉีกขาดก็ใช้เข็มกับได้เยบ็บแล้วก็ชิ้นสุดท้ายชิ้นที่แปดก็คือที่กรองน้ำสมัยก่อน ต้องตักน้ำจากนำทานนำห้อยบางทีมีตัวสัตว์มีลูกน้ำอยู่ในน้ำก็ต้องใช้ที่กองตักที่กองที่ตักแล้วจะไม่มีตัวสัตว์ติดขึ้นมานี่คือสมบัติของพระพุทธเจ้าของพระสาวกมีเท่านี้แต่มีกลับมีความสุขมากกว่าพวกเราที่มี สมบัติอะไรกันมากมายกายกองเพราะว่าใจของท่านตัดความอยากในลาบยศสรรเสริญสุขได้แล้วนั่นเองท่านไม่ต้องมีลาบยศสรรเสริญสุขเหมือนพวกเราท่านอยู่ตามมีตามเกิดได้ที่อยู่อาศัยก็อยู่ตามโคนไม้อยู่ตามเงื่อผ้า อยู่ตามท่านอยู่ตามเรือนร้างอยู่ตามป่าชาเป็นที่สงบเป็นที่ระ ง, งับความอยากได้ดีอยู่ที่เหล่านั้นแล้วความอยากจะไม่ค่อยเกิดขึ้นมาเกื้นุ่มหมท่านก็มีผ้าสามผืนอาหารท่านก็มีบาตไว้บิณบาตยารักษาโรคท่านก็ดื่ม หรือรับประทานสมุนไพรยาสมุนไพรตามมีตามเกิดไปมีอะไรก็หามากินหรือไม่เช่นั้นก็ใช้ดื่มน้ำปัสสาวะก็มีเป็นยาวิธีรักษาโรคอย่างหนึง่งนี่คือการอยู่ของผู้ที่ไม่มีความอยากของผู้ที่ไม่มีความทุกข์ท่านไม่มีความทุกข์กับลาบยศสรเสริญสุขเพราะท่านไม่มีท่านไม่ต้อง ท่านไม่ต้องมีท่านไม่ต้องการจะมีเพราะมีแล้วมันก็จะทำให้ต้องทุกข์กับมันเพราะว่ามันไม่เป็นของที่แน่นอนมันเป็นสิ่งที่มาได้แล้วก็ไปได้เวลามาก็ให้ความสุขกับเราแต่เวลาไปมันก็ให้ความทุกข์กับเราแต่ถ้าเราไม่มีความปรารถนาไม่มีความต้องการสิ่งเหล่านี้ สิ่งเหล่านี้ก็ไม่สามารถทำให้เราทุกข์ได้ไม่มีสิ่งเหล่านี้เราก็อยู่ได้พระพุทธเจ้าอยู่แบบนี้อยู่ด้วยความไม่มีความอยากในสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้อยู่กับความสุขภายในใจอยู่กับความสุขที่เกิดจากความสงบของใจใจสงบเพราะใจไม่มีความอยาก ถ้ามีความอยากแล้วใจจะไม่สงบใจจะร้อนขึ้นมาทันทีตอนนี้ญาติโยมมีความสงบอยู่ชั่วคราวตอนนี้นั่งอยู่เฉยๆได้ตอนนี้ไม่มีความอยากได้อะไรไม่อยากทำอะไรก็เลยนั่งเฉยๆได้มีความสงบมีความสุขแต่ถ้าเกิดอยากจะทำอะไรขึ้นมาจะนั่งเฉยๆไม่ได้นะ จะต้องขยับจะต้องขยื่อนจะต้องลุกไปทำสิ่งที่อยากจะทำถ้าไม่ไทยทำยิ่งจะรู้สึกอึดอัดใหญ่ความอยากทำให้ใจเราไม่สงบพอกาจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้แล้วใจก็จะสงบไปตลอดใจจะไม่มีความทุกข์โดยเด็ดขาดถ้าไม่มีความอยาก เหลืออยู่ภายในใจแล้วใจจะไม่มีความทุกข์เหมือนกับร่างกายที่ไม่มีเชื้อโรคร่างกายที่ไม่มีเชื้อโรคก็ร่างกายก็จะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแต่ถ้ามีเชื้อโรคขึ้นมาเมื่อไหร่ติดเชื้อขึ้นมาเมื่อไหร่ก็จะไม่สบายขึ้นมาทันทีตอนเนี้ยติดเชื้อหวัดกันเชื้อไข้หวัดใหญ่กันฝนตกเด็ก สายบาดเป็นเป็นไข้กันพ่อแม่บอกว่าวันนี้ลูกสายบาดไม่ได้ลูกเป็นไข้กันติดเชื้อหวัดกันอันนี้ก็เหมือนกันความอยากก็เป็นเหมือนเชื้อโรคที่ทำให้ใจเราไม่สบายกันที่ทำให้ใจเราทุกข์กันความอยากมีสามชนิดที่ทำให้เราทุกข์กัน ความอยากอย่างอื่นไม่ไม่เป็นปัญหาแต่ความอยากที่เป็นปัญหามีอยู่สามคือหนึ่งความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสที่เรียกว่ากามะตนะหาอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสกันเช่นอยากดื่มกาแฟนี่ก็เป็นกามะตนหาอยากซื้อเสื้อผ้าซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าซื้อของสวยๆงามๆที่ไม่จาเป็นจะต้องซื้อแต่อยากซื้อเนี่ย อันนี้ก็เรียกว่ากามะตัณหาอยากในรูปเสียงในรูปของเสื้อผ้าสีสันของเสื้อผ้าของกระเป๋าของรองเท้าเป็นกามะตัณหาอยากดูอยากฟังก็เหมือนกันอยากดูละครอยากดูภาพยนตร์อยากร้องนำทำเพลงอยากฟังเพลงอยากมีแฟนอยากมีสามีอยากมีภรรยา อยากเ่วมหลับนอนกันนี่เรียกว่ากามาตหาคือการเสพกามคุณกามคุณนี่มีอยู่ห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสผดัพะรูปที่เราใช้ตาดูเสียงที่เราใช้หูฟังกลิ่นที่เราใช้จมูกดมรสที่เราใช้ลิ้นสัมผัสและผดทพะที่เราใช้ร่างกายสัมผัส นี่คือสิ่งที่เราอยากกันติดกันเหมือนติดยาเสพติดต้องมีสูบเสียงกลิ่นรดให้เสพทุกวันเวลาไม่ได้เสพนี่จะรู้สึกอึดอัดเช่นเวลามาอยู่วัดกันมาถือศีลแปดกันเวลานั้นท่านเรียกว่ากำลังจเจริญเนคขมมะคือการออกจากกามตันหา ในคำว่าแปลว่าการระงับการเสพกามกันระงับการเสพรูปเสียงกลิ่นรสคนจึงมักไม่ค่อยอยากจะมาถือศีลแปดอยู่วัดกันเพราะว่าถือศีลแปดแล้วก็จะไม่ได้เสพกามกันพอไม่ได้เสพก็เกิดความทุกข์กันขึ้นมาเกิดความอึดอาจใจเพราะมีความอยากจะเสพนั่นเอง พออยากจะเสกกรรมแล้วไม่ได้เสกมันก็ทุกข์ขึ้นมานี่คือความอยากตัวที่หนึ่งที่ทำให้เราทุกข์กันตัวที่สองก็คือความอยากมีอยากเป็นอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากร่ำอยากรวยอยากสวยอยากงามอยากเด่นอยากดังอะไรทำนองนี้ความอยากมีลาบยศสรรเสริญมากๆ เรียกว่าความอยากมีอยากเป็นอันนี้ก็ทำให้เราทุกข์กันเวลาไม่เป็นเวลาไม่เด่นไม่ดังเวลาไม่สวยอันไหนแต่งตัวสวยได้รู้สึกมีความสุขขึ้นมาอันไหนไม่ได้แต่งตัวสวยๆรู้สึกรู้สึกไม่มีความสุขเลยนี่ก็เรียกว่าภาวะตัณหาความอยาก วันไหนได้เงินได้ทองมารู้สึกว่ามีความสุขวันไหนรวยในสุขวันไหนได้ตาแหน่งได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนีวันนั้นมีความสุขกันแล้วข้อที่สามความอยากข้อที่สามก็คือความอยากความอยากไม่เสียสิ่งที่เราได้มาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นความอยากไม่เสียลาบยศสรรเสริญสุขไป ไม่มีใครอยากเสียราบยศสรรเสริญสุขกันมีแต่อยากได้กันพอเสียก็ทุกข์กันพอเงินหมดเงินถูกเขาโกงไปถูกเ้าขโมยไปก็เสียใจถูกขโมยไปก็เสียใจถูกโกงไปก็เสียใจนือใช้หมดก็เสียใจใช้จนไม่มีเงินจะใช้ก็เสียใจศสูญเสียตำแหน่งไปก็เสียใจ ถูกโยกย้ายถูกปลดเนี่ยกลายเป็นใหญ่เป็นโตวันดีคืนดีฟ้าผ่าลงมาเปี้ยงปลดออกกลายเป็นเจ้าเป็นนายต้องกลับมาเป็นลูกน้องเป็นคนธรรมดาสามัญเพราะความอยากไม่สูญเสียสิ่งที่มีอยู่ไม่อยากจะสูญเสียลาบยศสรรเสริญสุขที่มีอยู่ พอสูญเสียก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเชน้นเวลามาบวชเนี่ยก็เหมือนสูญเสียลาบยศสรรเสริญสุขไปมาถือศีลแปดนี่ก็เหมือนกับไม่มีลาบยศสรรเสริญสุขกันใจก็เลยไม่ค่อยสุขกันไม่เหมือนเวลาไปออกจากวัดไปนี่รู้สึกมีความสุขมีคำพูดก็ว่า เวลาออกจากวัดนี้เหมือนไก่บินเวลาเข้าวัดนี่เหมือนหากินเพราะต้องมาสละลาบยศเวลาเข้าวัดเหมือนเป็นเวลาที่ต้องสูญเสียลาบยศสารเสริญสุขไปแต่ก็ไม่ทุกข์มากเพราะอย่างน้อยมีความสมัครใจที่จะมาที่จะมาเข้ากันแต่ก็ยังไม่สุขแต่รู้ว่าต้องมา เพราะว่าจะทำให้ใจทุกน้อยลงก็เลยมาวัดกันๆๆมาตัดความอยากต่างๆกันมาอยู่วัดเพื่อมาตัดความอยากกันแต่ตอนทำใหม่ๆนี่มันก็ต้องทุกข์เพราะว่าความอยากมันยังไม่หยุดเวลามาอยู่วัดมันยังอยากเสบรูปเสียงกลิ่นเลดอยู่มันยังอยากได้ลาบยศสารเสริญอยู่ยังไม่อยากเสียลาบยศสารเสริญสุขไปอยู่ มันก็เลยยังมีความรู้สึกไม่ค่อยสุขแต่ก็มาเพราะศรัทธาความเชื่อว่าเป็นวิธีที่จะทำให้ใจสุขขึ้นสบายขึ้นอพอมาอยู่ได้ไม่กี่วันเวลากลับไปนี่จะรู้สึกสุขมากกว่าตอนที่มาเพราะว่าได้กลับไปหาสิ่งที่เราอยากได้กลับไปหาราบยศเสริญกลับไปหารูปเสียงกลิ่นรด ก, กัน นี่คือความอยากสามอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสัรวว่าเป็นสาเหตุของความทุกข์ใจของพวกเราพวกเราต้องกําจัดมันให้ได้พระพุทธเจ้าได้ทรงกําจัดแล้วด้วยการบําเพ็ญทานศีลภาวนาเป็นเครื่องมือที่เราจะสามารถเอามาใช้กาจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราให้หมดไปได้ ถ้าเราไม่ได้ทำทานไม่ได้รักษาศีลไม่ได้ภาวนาเราจะไม่มีกำลังสู้กับความอยากเฉะนั้นเราต้องมาทำทานมารักษาศีลมาภาวนากันถ้าทำแบบพระพุทธเจ้าก็ทำแบบเต็มร้อยทำทานก็คือมีเงินเท่าไหร่ก็สละไปหมดแล้วก็ออกบวชไปรักษาศีลรักษาศีล เต็มร้อยแล้วก็ภาวนาเต็มร้อยถ้าเรายังทําแบบพระพุทธเจ้าทําแบบสาวกไม่ได้เราก็ทำไปเท่าเล็กเท่าน้อยก่อนทำทานไปนระดับหนึ่งก่อนระดับที่เราทำได้รักษาศีลไปในระดับที่เรารักษาได้แล้วภาวนาไปในระดับที่เราภาวนาได้ก่อนเราก็จะลดความอยากได้ในระดับหนึ่ง ทำทานมากขึ้นรักษาศีลมากขึ้นภาวนามากขึ้นเราก็จะลดความอยากได้มากขึ้นไปแต่ถ้าจะให้กำจัดความอยากให้หมดไปเลยนี้เราต้องภาวนาต้องต้องทำให้เต็มร้อยต้องทำทานให้เต็มร้อยทาแบบพระพุทธเจ้าทำแบบพระสาวกมีทรัพย์สมบัติเก้าของเงินทองก็ยกให้คนอื่นไปให้สามีให้ภรรยาให้บุตรให้ทิดา หรือให้ไข่ก็ได้ถ้าไม่มีไม่มีสามีไม่มีภรรยาไม่มีบุตรไม่มีที่ดา <c oughs> ก็ให้ชาวบ้านไปแล้วจะได้ไปรักษาศีลได้เต็มที่ได้ตลอดเวลาคนที่ไม่ต้องทำอาหากินหาเงินหาทองนี้จะรักษาศีลได้ง่ายแต่คนที่ยังต้องทาอาหากินหาเงินหาทองอยู่นี่จะรักษาศีลได้ลำบาก เาเดี๋ยวต้องพูดโกหกกันบ้างเดี๋ยวต้องโกงบ้างเดี๋ยวต้องดื่มสุราบ้างเข้าสังคมค้าขายเดี๋ยวต้องเอาลูกค้าไปเลี้ยงก็ต้องเลี้ยงสุราต้องดื่มสุราแต่ถ้าไม่ต้องทำมาหากินแล้วการรักษาศีลไม่ว่าจะมีกี่ข้อก็จะรักษาได้อย่างสบาย รักษาศีลห้าก็ได้รักษาศีลแปดก็ได้รักษาศีลสิบก็ได้รักษาศีลสองร้อยยี่บเจ็ดก็ได้แล้วแต่ฐานะของเราแต่จะกําจัดความรูปความอยากความอยากให้หมดไปจากใจนี้ต้องรักษาอย่างน้อยก็ศีลแปดขึ้นไปศีลแปดศีลสิบศีลห้ายังไม่พอยังไม่พอเพียงต่อการที่จะสนับสนุนการภาวนา การภาวนาก็คือการนั่งสมาธิทําใจให้สงบเรียกว่าสมถะภาวนาแล้วก็สอนใจให้ฉลาดคอยเตือนใจให้หยุดความอยากอย่าไปทําตามความอยากสอนใจให้เห็นว่าสิ่งที่อยากได้เป็นทุกข์เพราะได้มาแล้วเดี๋ยวจะต้องเสียไปเวลาเสียไปก็ร้องหม่มร้องไห้กันนี่เรียกว่าปัญญา ถ้าเห็นว่าทุกอย่างที่เราอยากได้เป็นทุกข์เราก็จะไม่อยากได้กันเราก็จะหยุดความอยากต่างๆได้ถ้าเห็นว่าราบยศสรรเสริญสุขนี้เป็นทุกข์ทุกเพราะว่ามันจะต้องมีวันสิ้นสุดมีวันจบเป็นเหมือนงานเลี้ยงที่จะต้องมีวันจบกิจ ก, การเท่าไหล่เฮาการเท่าไหล่ยสนุกสนานการเพ่าไหล่เดี๋ยวพองานเลี้ยงจบมันก็ความสุขเหล่านั้นก็หายไปหมด เหลือแต่ความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวด้เหลือแต่ความว้าเหวเศร้าสร้อยงอยเง า, ง า, งานี่คือวิปัสสนาคือให้เห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้เช่นลาบยศสรรเสริญสุขในโลกนี้เป็นทุกข์กันทุกข์เพราะเป็นอนิจจาเป็นของชั่วคราวเป็นของไม่ถาวรไม่ใช่เป็นของเราเป็นอนัตตาเราไม่สามารถที่จะเอาติดตัวกับเราไปได้ เวลาเราจากโลกนี้ไปแล้วเวลาอยู่ก็ไม่แน่ไม่สามารถจะเก็บไว้ได้ตลอดเวลาถึงเวลาเขาจะหมดเขาก็หมดถึงเวลาเ็าจะจากเขาก็จากไปนี่คือการภาวนาต้องทาสมถะก่อนสมถะทำใจให้สงบก่อนเพราะถ้าใจสงบแล้วใจยังมีความสุขพอมีความสุขใจก็จะสละความสุขของลาบยุศสรรเสริญไปได้ ถ้าปัญญาสอนว่าเป็นความทุกข์แต่ถ้ายังไม่มีความสุขใจนี้จะสละราบยศสารเสริญสุขได้ยากเพราะว่าไม่มีความสุขในตัวเองเลยต้องไปหาความสุขจากราบยศสารเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสกันแต่ถ้าเรานั่งสมาธิทําใจให้สงบได้เราจะมีความสุข เป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสพอเรามีความสุขจากสมาธิแล้วเราก็พร้อมที่จะหยุดหาความสุขทางราบยศสรรเสริญทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็จะหยุดความอยากในราบยศสรรเสริญในรูปเสียงกลิ่นรสได้หยุด กามาตัณหาได้หยุดภาวะตัณหาได้หยุดวิภาวะตัณหาได้ไม่หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสไม่หาความสุขจากราบยศสารเสริญไม่ไม่ไม่เสียดายราบยศสารเสริญเพราะไม่มีอยู่แล้วไม่มีแล้วจะไปเสียดายอะไรคนนี้ไม่มีราบยศสารเสริญก็ไม่มีความอยากที่จะไม่เสียราบยศสารเสริญเพราะไม่มีจะเสีย ก็จะไม่ม hmm. hmm. ีความทุกข์อีกต่อไปอยู่แบบไม่มีกับมีความสุขมากกว่าอยู่แบบมีกันพวกเราตอนนี้อยู่แบบมีราบยศสรรเสริญมีความสุขทางตาหูจมูกริ่นกายกันแต่เราก็ต้องพบกับความทุกข์กันอยู่เรื่อยๆพบกันแอบทุกวันเลยเมื่ทุกกับเรื่องราบก็ต้องทุกกับเรื่องยศเม่ทุกกับยศก็ต้องทุกกับเรื่องคนนั่นคนนี้สิ่งนั่นสิ่งนี้ มีเรื่องให้เราทุกขกันอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราไม่มีราภยศสเสริญไม่มีความสุขจากรูปเสียงกลิ่นแล้วแล้วรับรองได้ว่าเราจะไม่มีความทุกข์กับอะไรอยู่คนเดียวสบายไม่วุ่นวายใจเมื่อกี้พูดถึงเรื่องความอยากที่เราต้องกําจัดสามตัวกามาตฐานหาภาวะตันหาวิภาวะตันหา ความอยากอย่างอื่นนี้ไม่ไม่เกี่ยวนะความอยากทำบุญนี้ทำได้ความอยากรักษาศีลนี่ทำได้ความอยากนั่งสมาธิทำได้ความอยากบวชนี่ทำได้อยากฟังเทศฟังธรรมนี่ความอยากเหล่านี้ไม่ได้ห้ามนะเดี๋ยวเข้าใจผิดพอเราพูดว่าความอยากก็คิดว่าอยากทำบุญก็ไม่ได้ลนะอยากบวชก็ไม่ได้อยากนั่งสมาธิก็ไม่ได้ กิเลสมันชอบคิดแบบสีถนนชัยนะพอบอกว่าไม่ให้อยากใน ก, กามาตัญหาเพราะว่าตันหาวิภาวะตันหาก็เลยคิดว่าอยากอย่างอื่นไม่ได้ไปหมดงั้นอยากทำบุญก็ไม่ได้ยอยากนั่งสมาธิก็ไม่ได้อยากบวชก็ไม่ได้ไม่ใช่อยากอยากเหล่านั้นได้เพราะความอยากเหล่านั้นเป็นเป็น ค, ความอยากที่จะมาหยุดกำจัดความอยาก ที่เราต้องการให้กำจัดความอยากที่ดีก็มีความอยากที่ไม่ดีก็มีต้องการกำจัดความอยากที่ไม่ดีที่สร้างความทุกข์ให้กับใจของเราส่วนความอยากที่ดียากไปเถอดอยากทาบุญร้อยล้านพันล้านทําไปเลยอยากบวชอยากสละทรัพย์สมบัติเหมือนพระพุทธเจ้าอยากสละราชสมบัติแล้วไปบวชเหมือนพระพุทธเจ้าอยากรักษาศีล อยากนั่งสมาธิอยากอยู่ในป่าอยู่คนเดียวไม่ยู่กับใครอยากแบบนี้ดีเพเป็นความอยากที่จะไปกาจัดความอยากที่ไม่ดีฉะนนต้องพูดให้เข้าใจเพราะเวลาพูดไม่ขยายความแล้วคนจะมากกว่าฉะนั้นอยากทำบุญก็อยากไม่ได้อยากนั่งสมาธิก็ไม่ได้อยากไปอยู่วัดก็ไปไม่ได้อยากอยากที่ดีทำได้ อยากที่ไม่ดีไม่ให้ทำมีเพียงสามสามข้อใหญ่ๆนี้อยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆฉันอยากดื่มกาแฟอยากสูบบุหรี่อยากดื่มสุราอยากไปเที่ยวอยากไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากร่ำอยากรวยอยากให้คนยกย่องสรรเสริญเยินยอตามอยากเหล่านี้อยากมี ความอยากไม่เสียราภยศสรรเสริญสุขก็อยากมีมีแล้วก็ต้องพร้อมที่จะเสียถ้าไม่อยากจะทุกข์เพราะว่าไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเสียเวลาตายไปนี่เสียหมดรามยศสรรเสริญระดับไหนก็ไปหมดเสียหมดเอาติดตัวไปไม่ได้สิ่งที่เอาไปได้ก็คือความอยากกับความไม่อยากนี่เอง ถ้าไม่มีความอยากไปก็ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปก็ไปอยู่ที่นิพพานอยู่ที่พระพุทธเจ้าพระสาวกอยู่กันถ้าไปด้วยความอยากก็กลับมาเกิดใหม่เพราะความอยากจะดึงให้เรากลับมาเกิดใหม่ถ้ายังอยากในรูปเสียงกลิ่นรสอยู่ก็ยังต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ก็ต้องกลับมามีร่างกาย เพราะว่าร่างกายมันมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายให้เสพรูปเสียงกลิ่นรสผดทธพากันแล้วก็มาหาราบยศสรรเสริญสุขกันเพราะยังมีภาวะตัณหายังอยากเล่มอยากรวยอยากเป็นใหญ่อยากเป็นโตอยากให้คนยักยกย่องนับถืออยากสวยอยากงามอันนี้ก็ต้องมีลาบยศสรรเสริญพอมีแล้วก็ไม่อยากจะเสีย พอเสียหมดไปก็อยากจะได้ใหม่ก็กลับมาเกิดใหม่งั้นถ้าเรากำจัดความอยากต่างๆหมดไปจากใจได้เราก็จะไปแบบไม่มีความอยากพระพุทธเจ้าพระสาวกนี้ท่านไปแบบไม่มีความอยากติดกับใจไปไม่มีกามตัาหาไม่มีภาวะตันหาไม่มีวิภาวะตันหาติดไปกับใจใจท่านเลยไม่กลับมาเกิดอีกต่อไป ไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องมาทุกกับการมีร่างกายว่เาเมื่อมีร่างกายแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วก็ต้องมาพัดภาคจากรูปเสียงกลิ่นรสพัดภาคจากลาบยศสรรเสริญสุขกันจึงไม่ใช่เป็นความสุขการมาเกิดเป็นความทุกข์กันความทุกข์จะมีกับผู้ที่ไม่เกิดเท่านั้นถ้าตามใดยังมีการมาเกิดอยู่ กับใดยังมีความอยากอยู่ก็ยังจะต้องกลับมาเกิดอยู่เมื่อเกิดแล้วก็ต้องทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายทุกข์กับการพาดัพดผ่าจากกันถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องไม่มาเกิดเท่านั้นทุกข์ย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นผู้ที่ไม่เกิดก็ต้องไม่มีความอยากคือทั้งสามนี้คือกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหา ผู้ที่จะไม่มีการมาตัญหาภวะตัญหาวิภวะตัญหาก็คือผู้ที่ปฏิบัติทานศีลภาวนาเท่านั้นถ้าได้ปฏิบัติทานศีลภาวนาอย่างเต็มร้อยมีทรัพสมบัติข้าวของเงินทองก็สละไปหมดไม่ใช้เงินทองเป็นเครื่องมือซื้อความสุขอีกต่อไปจะใช้ศีลจะใช้สมาธิใช้ปัญญาเป็นเครื่องมือซื้อความสุขโดยการมารักษาศีลด้วยการมานั่งสมาธิ ทำใจให้สงบพอใจสงบแล้วก็จะเกิดความสุขขึ้นมาพอใจมีความสุขแล้วก็ใช้ปัญญาสอนใจไม่ให้ไปทำตามความอยากอีกต่อไปเพราะการทำตามความอยากก็จะทำให้ความสุขใจหายไปเวลาอยากแล้วใจมันก็จะร้อนขึ้นมาทันทีใจมันจะดิ้นขึ้นมาทันทีพอเรามันดิ้นเราก็ใช้ปัญญาสอนให้หยุดมันอย่าไปอยาก อยากแล้วทุ ก, ทกขณะที่อยากแล้วทุกข์กับสิ่งที่ได้มาเพราะสิ่งที่ได้มาจะต้องจากเราไปไม่ช้าก็เร็วอ ย, รยรอยากได้ลาบยศสรรเสริญอยากได้รูปเสียงกลิ่นลสนนพอได้มาแล้วก็เกิดความสุขขึ้นมาแต่พอเดี๋ยวจากไปก็เกิดความทุกข์ตามมาต่อไปอันนี้คือปัญญาต้องเห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเรา ความอยากได้ก็ทําให้เราทุกข์แล้วทำให้ใจเราดิ้นทำให้ใจเราไม่สบายแล้วเะฉะนั้นเราเกิดความอยากต้องหยุดมันทันทีหยุดด้วยสติหยุดด้วยสมาธิหยุดด้วยปัญญาถ้าเรานั่งสมาธิได้เราก็จะหยุดความอยากได้ถ้าเรามีปัญญาพอปัญญาบอกว่านี่คือความอยากเราก็หยุดมันได้ทันทีแต่ถ้าเป็นความอยากที่ดีก็ไม่ต้องหยุด ถ้าอยากจะช่วยเหลือคนอื่นที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนถ้าช่วยเหลือได้ก็ช่วยเหลือไปพระพุทธเจ้าถึงแม้ว่าจะหยุดความอยากต่างๆหยุดการความอยากทั้งสามแล้วแต่ความอยากช่วยเหลือสัตว์โลกยังมีอยู่ยังช่วยเหลืออยู่ถ้าช่วยเหลือได้ก็ทรงช่วยเหลือทรงทรงใช้เวลาที่เหลืออยู่หลังจากที่ได้ตัดจารุแล้วทรงตัดจารุในอายุ 35ห้าพรรษาแล้วก็อยู่อีกสี่สิบห้าปีจนถึงอายุ80ดสิปีตลอดระยะเวลาสี่สิบห้าปีนี้ไม่ได้ทำอะไรให้กับตัวเองเลยทำแต่ให้กับสัตว์โลกสั่งสอนสัตว์โลกทุกวันพระพุทธเจ้ามีกิจวัตรประจำอยู่ห้าข้อเรียกว่าพุทธกิจห้าข้อที่หนึ่งคือตอนบ่ายอบรมสั่งสอนศรัทธาญาติโย่ ข้อที่สองในในยามค่ำอบรมสั่งสอนพระภิกษุสา ม, มเณรในยามดึก อ, อบรมสั่งสอนทเท ว, วดาข้อที่สาในยามเช้าก่อนที่จะจะออกไปบินถบาททรงเล็เลงยานดูว่าวันนี้จะไปสั่งสอนใครเป็นกรณีพิเศษแล้วข้อที่ห้าก็ออกบินถบาทนี่คือกิจวัตรที่พระพุทธเจ้าทรงบําเพ็ญโปรดสัตว์สั่งสอนก็โปรดสัตว์ บินธบาตก็โปรดสัตว์การบินธบาตทําให้สัตว์ที่ยังไม่ได้ทําบุญทําทานได้มีโอกาสได้ทําบุญทําทานได้เจริญทานศีลภาวนาตามลําดับต่อไปพระพุทธเจ้าไม่ได้ทําอะไรให้กับพระองค์เลยหลังจากที่ได้กําจัดความอยากหมดแล้วเพราะไม่มีอะไรอยากได้แล้วถ้าความสุขก็เต็มมีอยู่เต็มเปี่ยมอยู่ภายในหัวใจแล้ว ถ้าเป็นน้ําก็เหมือนน้ําที่เต็มแก้วแล้วต่อให้เทน้ําเข้าไปเท่าไหร่มันก็ล้นออกมามันก็จะไม่มีมากกว่านั้นนความสุขในใจของพุทธเจ้าที่ได้จากการกําจัดความอยากต่างๆนี้เป็นความสุขที่เรียกว่าบรมสุขเต็มเปี่ยมอยู่ภายในหัวใจตลอดเวลาไม่มีเวลาพร่องเลยไม่เหมือนกับความสุขที่พวกเรามีกันได้มาปั๊บเดี๋ยวก็พร่องนะละืมกาแฟไปถ้วยหนึ่งก็เกิดความสุขขึ้นมา เดี๋ยวสักพักหนึ่งกาแฟนั้นก็หมดไปความสุขที่ได้จากกาแฟก็พร่องไปเดี๋ยวต้องเดืออีกถ้วยหนึ่งไม่เดื่ดก็ต้องหาขนมกินกันไม่ขนมกินก็ต้องหาอะไรดูกันไม่ดูกันก็หาอะไรฟังกันไม่ฟังก็หาอะไรซื้อกันมันมีความอยากตามมาอยู่เรื่อยๆมันพร่องไปอยู่เรื่อยความสุขที่ได้จากการทำตามความอยากมันจะพร่องไปเรื่อยๆมันไม่มีวันเต็มไปตลอด แต่ความสุขที่เกิดจากการกาจัดความอยากนี้มันจะเต็มอยู่ตลอดเวลาเรียกว่านิพานนิบานังปรมังสุขขังนิพานนี้ไม่ใช่เป็นสถานที่นิพานนี้เป็นสภาพจิตใจฐานะจิตใจใจที่สะอาดบริสุทธิ์ใจที่ปราศจากความอยากทั้งสามคือกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาที่เกิดจากการบาเพ็ญทานศีลภาวนา นี่คือเรื่องของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่พวกเรามาพึ่งกันถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้เราก็จะไปหลงหาความสุขจากการหาลาบยศสารเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสผทะพะกันแล้วก็มาร้องห่มร้องไห้กันเวลาที่เราต้องพัดพรากจากลาบยศสารเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผุดทะพะไปกันเพราะเรายังไม่อยากจะเสื่อ เรายังไม่อยากจะสูญเสียสิ่งต่างๆที่เราหามาได้ไม่อยากเสียความสุขที่เราหามาได้แต่เราก็ห้ามมันไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติของสิ่งต่างๆในโลกนี้รวมทั้งร่างกายของเราเราใช้ร่างกายหาความสุขต่างๆออกไปวันหนึ่งข้างหน้าร่างกายของเราก็จะหมดความสามารถที่จะหาความสุขต่างๆได้ความสุขต่างๆที่เราจะหาก็ไม่มีอีกต่อไป เราก็จะเหลือแต่ความทุกข์เหลือแต่ความอยากตายไปก็ไปกับความอยากความอยากก็จะดึงให้เรากลับมาเกิดใหม่มาเวียนว่ายตายเกิดกันใหม่ไปเรื่อยๆไม่มีวันจบสิน้นแต่พอเราได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วการเวียนว่ายตายเกิดก็จะจบสิน้นเพราะเราจะปฏิบัติทานศีลภาวนากันแล้วเราจะได้กำจัดความอยากทั้งสามนี้ให้หมดไปจากใจกัน ใจของเราก็จะเป็นนิพพานไปไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปจึงขอให้ท่านจงใช้โอกาสอันเลิศอันประเสริฐที่ได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระริยรสงสาวกได้ได้รับกันคือให้เราน้อะเอาคาสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาปฏิบัติกัน แล้วรับรองได้ว่าความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของท่านในขณะนี้จะหายไปหมดอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยาถาวาริวาหาปุราปริปุรินติสาคารังเอวเมวะอิตตทินังเปตานังอุปกาปะติ อิติตังปัตถิตังตุ მ หังคิดเปาเมวะสมิจฉาตุสัเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามะนิโชติระโสยถาสัพิติโยวิวาจฉาตุสัพพรโขวินัสตุมาเตภาวะตวันตรายูสุขีทีขายุโกภาว อาพิวาธนสีลิตสะนิจังวุธาปจายโนจตารุธรรมาวาทานติอายุวันโอสุขังภาลาอันนี้อยู่ช่วงปรับปรุงอยูอ่ทางต่างๆนี่ทรมาสามสิบปีแล้วทรมาตั้งแต่ปสอสามศูนย์ อันนี้มันเริ่มแตกแล้วแล้วก็มีศรัทธาญาติโยมมีศรัทธามาทำให้ก็เลยทำไปสาลาหลังนี้ไม่รู้จะอยู่ไปได้กี่ปีนี่ตั้งมาเพิ่งมาปีสองหกสามสิบสี่ปีแล้วก็พยายามรักษาไว้เพราะมันมีมีความหมายมมสมเด็จพระสังฆราชองค์ก่อนเคยรับสเสด็จ ในหลวงบนศาลาครั้งนี้เหงาจักที่ไหนกันอนนี้าจากนุเทะค่ะชายไม่สบายอ่าออไม่สบายก็รักษาไปเดี๋ยวก็หายตามหมอดียาดีก็หายรักษาไปเป็นธรรมดาเกิดแก่เจ็บตายเป็นด้วยกันทุกคนนะ ใจไม่ได้เป็นอะไรไม่ต้องไปทุกข์กับร่างกายใจไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้เป็นอะไรใจยิ้มได้อย่าไปคิดว่าใจเป็นร่างกายใจจะทุกข์วันนี้มีเฟซบุ๊เข้ามาเท่าไหร่ศุนย์สี่ร้อยค่ะสี่ร้อยยูทูบสูงหกหกเจ็ค่ะมีชาวต่างชาติเข้ามาไห ม, คมคใครพี่คุณเจมส James, จากที่ไหนบอกว่า James from UK, first time. How Are you James? What can I do for you? Namaskar, ท่านอาจารย์สุชาติ I try to explain the six elements to my friends, but he was confused about the fifth and sixth. He is Thai, so can you please give an explanation in Thai, please? ินไ so ท, ทยธาตุทั้งหกธาตุนี่มีอยู่หกชนิดด้วยกันเป็นสิ่งที่ประกอบเป็นส่วนประกอบของทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในจักรวาลนน ใ, ในโลกกับธาตุนี้ธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟอันนี้เราเห็นใช่ไหมดินก็คือที่ดินของแข็งต่างๆนี่ น้ำก็เป็นของที่เป็นน้ำของเหลวลมก็คือลมที่พัดไปพัดมาไฟก็คือความร้อนส่วนธาตุที่ห้าคือใจเอาธาตุเอ า, อ า, อ, า, อ, าอากาศสาทาศก่อนอากาศกนจริงควรจะเรียกว่าอาวกาศสาทาศคือภาษาอังกฤษเขาแปลว่า p a ป e คือความว่างที่ที่มีอยู่รอบทุกสิ่งทุกอย่างนี่เรียกว่าอาวากาศสธาติลมพัดก็ต้องต้องมีที่พัดเนี่ยต้องมีอาวากาศสธาติเป็นที่พัดผ่านดินน้ําลมไฟก็ต้องมีที่ตั้งมีอาวากาศสธาติเป็นที่ตั้งเขาเรียกว่าอากาศสธาติหรืออาวากาศสธาติเนี่ยถ้าแปลตามภาษาอังกฤษมันก็ต้องเป็นอาวากาศ คือเป็นความว่างเป็นพื้นที่เป็นเนื้อที่แล้วก็ธาตุที่หกก็คือธาตุรู้คือจิตใจมนุษย์เรานี้มีทั้งหกธาตุรวมกันมีธาตุดินน้ำลมไฟที่ทำให้เกิดร่างกายนี้ขึ้นมาอาการสามสิบสองผมขนได้ฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูก ที่ทำมาจากดินน้ําลมไฟแล้วก็มีมีช่องว่างในในในร่างกายในท่อในลมท่อลมหายใจในท่อปัสวะท่ออะไรนี้ก็เรียกว่ า, าความว่าง เ, าเรียกว่าอากาศจะธาตุแล้วก็มีใจธาบรู้ที่เป็นผู้คิดผู้รู้ที่มีความรู้สึกนึกคิดผู้ที่สั่งให้ใจทําอะไรต่างๆนี่คือธาบรู้ พวกเราเนี่ยอยู่ที่ธาตุรู้กันมาจากธาตุรู้พวกเรามาจากความคิดของธาตุรู้ธาตุรู้คิดว่าเป็นเราขึ้นมาคิดว่าเราสร้างความคิดว่าเราขึ้นมาเราก็คิดว่าเราเป็นเราขึ้นมาแล้วเราก็สั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆความจริงผู้ที่สั่งจริงๆก็คือธาตุรู้หรือความคิดของธาตุรู้ เราจะมาที่นี่ได้เราต้องคิดก่อนใช่ไหมถ้าไม่ได้คิดก็จะไม่ได้มาต้องคิดว่าวันนี้จะมาที่นี่พอคิดแล้วก็สั่งให้ร่างกายออกเดินทางมาผู้ที่คิดผู้ที่สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆนี้คือธาตรู้สั่งให้ธาตุทั้งห้ามาที่นี่สั่งให้ธาตุดินน้ำลมไฟและอากาศธาตุมาที่นี่นี่คือเรื่องของธาตุทั้งหก ของต่างๆในโลกนี้ก็ทำมาจากธาตุถ้าไม่มีธาตุรู้ก็เป็นพวกต้นไม้ใบหญ้าพวกนี้มีมีอากาศธาตุมีธาตุมีธาตุดินน้ำลมไปมีห้าธาตุด้วยกัน้าเหล่านี้จะมารวมตัวกันชั่วคราวแล้วก็จะต้องแยกกันกลับไปเพราะโดยธรรมชาติธาตุนี้เขาจะเขาจะอยู่กับของอยู่อยู่กับธาตุของเขา ธาตุน้ําก็จะกลับไปหาธาตุน้ำธาตุดินก็จะกลับไปหาธาตุดินธาตุลมธาตุไฟก็จะต้องกลับไปหาธาตุของตนนร่างกายของเราเดี๋ยวถึงเวลาธาตุทั้งสี่ก็จะแยกกันออกไปธาตุทั้งห้าธาตุดินน้ํำลมไฟและอากาศธาตุก็จะไปสู่ที่ของเขาไปดินก็จะกลับไปหาดินเวลาเราร่างกายเผามันก็กลายเป็นขี้เถ้าน้ําก็ถูกระเหยไป ขึ้นไปบนอากาศนะนะนะเดี๋ยวก็ตกลงมาเป็นฝนธาตุไฟก็กลับไปอยู่กับธาตุไฟธาตุลมก็ไปอยู่กับธาตุลมร่างกายก็หายไปนี่คือเรื่องของธาตุสีินน้ํำลมไฟคือร่างกายของเราใจก็ไปถ้าใจมีความอยากก็กลับไปหาธาต์หาร่างกายอันใหม่ไป ไปได้ร่างกายอันใหม่ได้ธาตุห้าอีกครั้งหนึ่งธาตุสี่หรือธาตุห้าหนึง่งธาตุสี่ก็ได้ได้ดินน้าลมไฟได้อาการสาสบสองขึ้นมาเราก็มาทําอะไรต่างที่เราทํากันอยู่นี้ก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะพบกับพระพุทธเจ้าพบกับพระธรรมพระสงฆ์ที่จะสอนเราให้เรามากําจัดความอยากทั้งสามกัน ถ้าเรากำจัดความอยากทั้งสามได้ต่อไปเราก็ไม่ต้องกลับมามีธาตุดินน้ำลมไฟต่อไปเราก็จะอยู่แบบไม่ต้องมีดินน้ำลมไฟก็ได้ถ้ารู้นี้สามารถอยู่ได้สามารถมีความสุขได้ดีกว่าความสุขที่ได้จากการมีดินน้ำลมไฟมาให้ความสุขอ่ะมีอีกไหมคุณเจมส์ลีปลาชนาว่ะ แซนกิลท่านอาจารย์สุชาติ iOS feel peaceful เป็นอิริทึนทูยูค่ะโอเคยินดีต้อนรับ where are you from is this the, your first time ถามต่อไปคําถามใน Inbox จากคุณพัชราค่ะถ้าภาวนาแล้วจิตไม่ได้ตกหลุมตกบ่อคือภาวนาพุทโธไปเรื่อยๆจิตสงบมีแต่ลมหายใจเข้าออกจนจิตเบลนิ่งสบายสว่าง ไม่วูจบจกหลุมจก บ, บ่อถูกต้องไหมคะจําเป็นต้องวูบทุกครั้งไหมคะมันก็จะวูบแต่อาจจะวูบมากวูบน้อยแต่หลังจากมันวูบแล้วมันจะนิ่งมันจะเฉยมันจะเป็นอุบเบกขาถึงแม้ว่าบางทีร่างกายยังไม่หายไปความเจ็บจากร่างกายยังอยู่แต่ใจจะไม่วุ่นวายใจใจจะไม่ลำลำคาญกับความเจ็บต่างๆ หรือกับเสียงต่างๆที่ได้ยินอย่างนั้นก็เรียกว่าเป็นสมาธิแต่ถ้าบางทีลงไปลึกมันก็ร่างกายก็หายไปเลยความจ็บของร่างกายก็หายไปเสียงที่ได้ยินผ่านทางร่างกายก็หายไปเหลือแต่สักแต่ว่ารู้อยู่ตามลำทงังอยู่แบบอุเบกขาอยู่แบบเฉยๆอยู่แบบมีความสุขเฉยแต่สุขอุเบกขาคือไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลง สุอ่ตคำ ถ, ถามทาง youtube จากผู้มพสงค์ออกนามค่ะทําไมคนยิ่งปฏิบัติธรรมโทสะโมหะไม่ล้อลงเลยคะโกดเกียรติคนอื่นไปทั่วอารมณ์ขุ่นมัวเก็บอาการไม่อยู่การปฏิบัติกับนิสัยแท้จริงไปคนละทางค่ะเพราะว่าไม่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องไงเวลาปฏิบัติมันก็สงบ พอเวลาไม่ปฏิบัติก็ไม่ควบคุมใจปล่อยให้กิเลสตัณหาออกมาเพ่นพาดผู้ปฏิบัติที่แท้จริงนี่ต้องปฏิบัติตลอดเวลาต้องคอยควบคุมใจด้วยสติด้วยปัญญาตลอดเวลาไม่ใช่จะคุมแต่เฉพาะเวลานั่งสมาธิเดินจงกรมเท่านั้นจะต้องควบคุมตลอดเวลาเวลามาพบปากับใครเวลาทำงานทำการกับใครเกี่ยวข้องกับใครตอนนั้นก็ต้องปฏิบัตินะต้องคอยควบคุมใจต้องมีสติ หยุดความโลภความอยากต่างๆถ้าไม่มีพอโลภพออยากได้อะไรไม่ได้ดังใจอยากก็จะโกรธพอโกรธแล้วถ้าไม่มีสติก็อาละวาดระบายออกมาพูดวาจาพระลุศวดัดด่าเข้าทั่วไปหมดเนี่ยมันไม่ได้เป็นเพราะว่าเขาเขาปฏิบัติแล้ว ท, ทั้งทำให้เขาเป็นอย่างนี้ไม่เกี่ยวกันเวลาเขาปฏิบัติเขาก็สงบเขาก็นิ่งเขาก็ดี แต่เวลาเขาไม่ปฏิบัติมันก็เป็นอย่างนี้แสดงว่าเขาไม่ได้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมออย่างตลอดเวลาเวลาปฏิบัติก็นิ่งดีสงบดีเพราะตอนนั้นอยู่คนเดียวไม่ยุ่งกับใครแต่พอมายุ่งกับใครเป็นเวลาที่ควรจะปฏิบัติก็ไม่ปฏิบัติเวลาคาว่าปฏิบัตินี้ไม่หน่อยหมคำว่าต้องนั่งหลับตาอย่างเดียวคาว่าปฏิบัติก็คือต้องมีสติคอยควบคุมอารมณ์อยู่ตลอดเวลา ต้องดูอารมณ์ของตนเองว่าตอนนี้กำลังโลภ ก, กาลังอยากหรือเปล่าถ้าอยากก็ต้องตัดมันถ้าไม่ไม่ตัดนั้นเดี๋ยวปล่อยให้มันอยากแล้วพอไม่ได้ตามใจอยากมันก็จะโกรธขึ้นมาฉะนั้นคนที่ยังโลภคนที่ยังมียังมีความโกรธมีอะไรอยู่แสดงว่าช่วงนั้นเขาไม่ได้ปฏิบัติแล้วเขาไม่มีสติคอยกำกับใจคอยควบคุมใจเขาไม่มีปัญญาคอยตัดความอยากต่าง คำถามจากคุณต้นคุณค่ะถือศีลแปดถ้าผมออกกำลังกายในวันที่ถือศีลแปดผิดศีลหรือเปล่าครับ อ, อ๋อไม่ผิดหรอกการออกกาลังกายนี่ก็เป็นการรักษาร่างกายเหมือนกับการรับประทานอาหารการหลับนอนอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าเวลาออกกำลังกายก็ถ้าเป็นพระก็ต้องมีการละเทศะมีสถานที่ไม่ใช่ออกไปจ้อกิ้งกับชาวบ้าน เดินจงกรมไงการออกกําลังกายของของพระนี่ส่วนใหญ่จะถือการออกเดินจงกรมเป็นหลักเดินจงกรมแล้วเขาว่าสุขภาพจะแข็งแรงอายุจะยืนยาวนานเพราะว่าร่างกายได้มีการเคลื่อนไหวได้การมีการออกกําลังกายเพราะพระเดินทีไม่ใช่ชั่วโมงสองชั่วโมงที่เดินทีสามสี่ชั่วโมงเดินกันไปแบบร่างกายถึงแข็งแรงอายุยืนยาวนาน คุณเจมส I stayed at Wat Yan in 2015, but now I am a monk in Khon Kaen. I was I was born in UK. Can you remember me? I think so. I I heard from Thanywe that you went to ordain there. You from the UK. เคยมาพักอยู่ที่นี่แล้วจะบวชก็เลยที่นี่ต้องใช้เวลานานก็เลยไปหาที่บวชไปได้วัดที่ขอนแก่นกเลยไปบวชที่ขอนแก่นถ้าอยู่ที่นี่เราจะให้อยู่ไปปีหนึ่งก่อนค่อยค่อยว่ากันจะบวชหรือไม่บวชนี่ค่อยว่ากันแต่อยู่ไปดูนิสัยใจคอกันไปก่อนแต่ถ้าไปที่วัดอื่นบางทีเขาก็ไม่ได้พิธีพิธานอะไรอยากจะบวชเขาก็บวชให้ คำถามจากคุณนัทยาฝึกนั่งสมาธิดูลมหายใจเข้าออกพอจิตสงบก็พิจารณาอสุภะและความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถูกต้องไหมคะไม่ถูกหรอกเวลาจิตสงบนี้ไม่ควรจะพิจารณานั่งสมาธิเพื่อให้จิตสงบเมื่อสงบแล้วก็ต้องประคองให้มันสงบไปนานๆเพราะตอนนั้นเป็นเวลาพักผ่อนเป็นเวลาสร้างกำลังให้แก่ใจคืออเบขา ให้มีอุเบกามากๆเหมือนเวลาเติมน้ำมันรถเราไม่วิ่งไปใช่ไหมเวลาจะเติมน้ำมันรถเราก็ไปจอดแวะที่ปั๊มก่อนเติมน้ำมันให้มันเต็มถังก่อนแล้วค่อยออกขับรถต่อไปจิตก็เหมือนกันเวลานั่งสมาธิเหมือนเวลาเติมน้ำมันตอนที่จิตนิ่งเฉยๆสงบนี้ไม่ให้ไปทำอะไรให้จิตสงบไปจนกว่าจิตจะถอนออกมาพอจิตถอนออกมาแล้วเริ่มคิดนันแะตอนนั้นถึงจะให้พิจารณา จะพิจารณาอะไรก็ได้พิจารณาลาบยศสรรเสริญสุดว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนาัตตาก็ได้พิจารณาร่างกายว่าเป็นอสุภาก็ได้เป็นอาการสาสิบสองเป็นดินน้ำลมไฟการพิจารณานี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะทําให้บรรลุทันทีทันใดบื้องตอนก็พิจารณาเพื่อให้ให้เห็นความจริงเมื่อเห็นความจริงแล้วก็ต้องออกไปตัดความอยากที่มีมีติดอยู่กับสิ่งต่างๆ ถ้าพิจารณาเห็นว่าราบุดยศสังเสริญสุขเป็นทุกข์ก็ต้องหยุดมันต้องหยุดอยากมันถ้าเห็นว่าร่างกายต้องเกิดแก่เจ็บตายก็ต้องหยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายไม่ใช่พิจารณาเฉยๆแล้วไม่ไปไม่เอาไปหยุดความอยากถ้าไม่ไปหยุดความอยากก็ยังไม่ได้ผลเป็นเหมือนกับเป็นการทําการบ้านอยากจะได้ผลต้องเข้าห้องสอบต้องไปเจอความเจ็บ แล้วก็ดูซิว่าเฉยๆได้ไหมยอย่าไปยุ่งกับความเจ็บได้ไหมปล่อยให้ร่างกายเจ็บไปเวลาเจอความตายก็ปล่อยให้มันตายไปได้ไหมถ้าปล่อยได้ใจก็จะไม่ทุกข์คือหยุดความอยากไม่เจ็บหยุดความอยากไม่ตายได้ใจก็จะไม่ทุกข์ใจก็จะพ้นจากความทุกข์ในระดับของร่างกายไปได้คําถามจากคุณชิราลด แม่บ้านไปซื้อไก่จะทำแกงไก่ไปใส่บาตพอรู้ว่าท่านชอบฉันแม่บ้านไปร้านขายไก่คุยไปคุยมาก็วกเข้าเรื่องขายไก่มันบาสนะแม่ค้าเขาว่าไม่ได้ฆ่าเขาขายซากไก่คนในคนงานที่ฆ่าโน่นถึงผิดคนงานเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ฆ่าเขาแค่รับจับไก่มาแขวนคนต้องเดินเครื่องจักโน่นคนเดินเครื่องจักเขาบอกว่า เขาแค่เปิดสวิตช์เครื่องเครื่องมันฆ่าต้องโทษคนที่ทำเครื่องจักที่สร้างคนทำเครื่องบอกว่าเขาแค่ทำเครื่องมาขายเจ้าสัวฆ่าเจ้าสัวบอกว่าเขาไม่ได้ฆ่าเขาทำอาหารมาเลี้ยงคนมากมายมันเป็นบุญเสียมากกว่าถึงทำให้เขาจเจริญรุ่งเรืองต้องโทษคนกินเพราะไม่กินก็ไม่มีการฆ่าวามจุดจนต้องการกินไก่มากไก่ก็ตายมาก ถามว่าใครเป็นคนฆ่าไก่บาปตกอยู่กับใครครับก็ตรงตอนที่ไก่มันตายตอนนั้นน่ะใครไปทําให้มันตายตอนนั้นน่ะคนนั้นน่ะเป็นคนทํำบาปไม่ใช่ไปอ้างว่าคนผลิตมีดมาเป็นคนทํำบาปเพราะถ้าไม่มีมีดก็ฆ่าไก่ไม่ได้ไม่ใช่คนที่ไปทําให้ไก่ตายนะตอนนั้นน่ะใครเป็นใครไปคนคนถ้าเป็นเครื่องจักรแล้วเราไปกดปุ่มปับ๊บแล้วไก่ก็ตายตอนนั้นคนนั้นแหละเป็นคนฆ่า คนอื่นนี้เป็นเพียงแต่เป็นคนมีส่วนสนับสนุนแต่ก็ไม่ได้เป็นผู้ฆ่าโดยตรงบาปหนักก็อยู่ที่คนฆ่าหรือคนสั่งให้ฆ่าคนสั่งให้ฆ่ากับคนฆ่านี่มีบาปเท่าๆกันเช่นถ้าเราไปสั่งแม่ค้าว่าพรุ่งนี้เอาไก่สามตัวอย่างเงี้ยบาปละเราถึงแม้ไม่ได้ฆ่าเองก็ไปสั่งให้ข้าวเขาฆ่าให้เราถ้าไปซื้อไก่ก็อย่าไปสั่งล่วงหน้าไปดูที่ตลาด ถ้ามีของตายก็ซื้อมาถ้าไม่มีของกายก็ไม่ซื้ อ, อมันมาอ้างว่าคนกินทำให้เขาค่าก็ามึงไม่ฆ่ากูก็ไม่ได้กิน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวก็มาโทษไก่ออกก่อนไข่แล้วไข่ออกก่อนไข่ไก่กันแนะ่เปมาโทษคนกินคนกินจ่บอกกูไม่กินก็ได้ถ้ามงไม่ฆ่า <c oughs> ถ้ามงไม่เอามาขายกูก็ไม่ได้กินอ้าไหม อ, อย่างนั้นอยู่ที่คนฆ่าเป็นหลักเอาดูตรงนั้นก็แล้วกัน คนฆ่าหรือสั่งให้เขาฆ่าเหมือนเรื่องมันจะยาวไปหมดแล้วก็คนขับรถชนคนตายก็มาโทษบริษัทผลิตรถยนต์สิว่าผลิตรถยนต์ทําให้ขับมาขับรถยนต์แล้วฆ่าคนตายเอรถยนต์ก็ไปโทษผู้สร้างถนนให้มีรถยนต์วิ่งมันก็ไม่มีวันจบฉะนั้นเอาตรงที่ว่าใครใครเป็นผู้ทําให้เกิดการตายก็แล้วกันโดยตรงคนนั้นแหละบาป คำถามจากคนคุณพลที่พย์เราขัดสมาธิสวดมนต์ผิดไหมครับก็ไม่ผิดเพียงแต่ว่าธรรมเนียมเขาจะให้ความเคารพต่อพระพุพทธพระธรรมพระสงฆ์เวลาเราอยู่นั่งต่อหน้าผู้หลักผู้ใหญ่เรามักจะนั่งพระเพียบกันเราจะไม่นั่งขัดสมาธิอันนี้เป็นธรรมเนียมของคนไทยเราคำถามจากคุณเฉลิมพลข้อที่หนึ่ง การดำลงตนอยู่แบบสันโดษสอดคล้องกับการให้ละความอยากใช่ไหมครับใช่คําว่าสันโดษก็คือให้ยินดีตามมีตามเกิดอย่าไปอยากได้สิ่งนู้นสิ่งนี้อย่าได้มากได้น้อยยินดีตามมีตามเกิดเหมือนพระบินดาบอย่างเงี้ยอันนี้เป็นแบบสันโดษในบินดาบาญาติโยมจะใส่อะไรมาก็ใส่ไปได้อะไรมาก็กินไปตามมีตามเกิดอันนี้ก็ช่วยกําจัดความอยากในเรื่องของอาหารได้ในระดับหนึ่ง ข้อที่สองกรณีมีการจับแพททำให้ผู้บริสุทธิ์ต้องรับโทษเพราะบกพร่องในการหาข้อมูลจะทำให้เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการตารวจอายการศาลต้องมีบาปไปด้วยไหมครับคือถ้ามันผิดพลาดโดยไม่มีเจตนามันก็ไม่บาปไม่มีความตั้งใจไปจับดูนะ ว, ว่าคนนี้เขาไม่ได้ทำแต่ไปยัดเยียดข้อยดยัดเยีด ย, ด, ยดหลักฐานให้เขาว่าเขาเป็นผู้ทำ อันนี้ก็ถือว่าบาปแต่ถ้าถ้าเราทําไปตามหน้าที่ทําไปตามเหตุตามผลแต่มีการผิดพลาดได้อันนี้ก็ไม่บาปคําถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามดิฉันมีสามีบางครั้งไปทํางานอยู่ต่างประเทศดิฉันอยากถือสินแตกในวันพักที่บ้านแต่ทุกคืนก่อนนอนสามีต้องโทรโทรศัพท์มาทางเฟซเพื่อให้เห็นหน้าจอ แต่พูดคุยกันไม่นานแบบนี้จะเป็นการผิดศีลในการข้อห้ามบันเทิงไหมเจ้าคะอ๋อไม่หรอกอันนี้ติดต่อคุยกันได้เป็นแต่ว่าอย่าไปนอนร่วมกันนั่นเองอะไรหมดแล้วแบบอ๋อดีพักตั้งเหลวก็ได้เพืใครอยู่ที่นี่อยากจะถามก็ถามได้ไมีอะไรอยากจะถามไหมเชลานเข้ามาแล้วแบบ เอาอยู่ฉลานความสิริลังกาคุณากจัจังหวะมจับจังหวะเลยกำลังเขียนอยู่เลยอ่ข้ามาคําถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามอ้างอิงจากเรื่องหาคนผิดค่าไก่ถ้าคนที่ขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดหรือสั่งซื้อเป็ดแช่แข็งมาจากเอเจนท์ที่ส่งขายเป็ดทุกวัน อย่างนี้คนขายด้วยเสี่ยวเขจะบาปด้วยไหมคะถ้าสั่งล่วงหน้าก็บาปเนะเพราะเราสั่งแล้วเขาก็ต้องไปค่ามาให้เราถ้าเราไม่สั่งถ้าเกิดเขาค่ามาแล้วเขาขายไม่ได้เขาก็หยุดเขาก็จะไม่ค่ามาขายวันต่อไปคำถามจากคุณปาณีผู้ถือศีลเล่นลายถือว่าผิดศีลไหมคะแล้วแต่ว่าเล่นแบบไหนถ้าเล่นแบบธรรมะก็ไม่ผิดไง ตอบถามนี่ก็เล่นลายกันอยู่เนี่ยใช่หไหมเนี่ยส่งข้อความเข้ามาถามปัญหานี้ก็เล่นลายเหมือนกันแตมันแล้วแต่ว่าเราเอาไปใช้ในทางไหนเหมือนมีดอะมีดถ้าเร า, เาไปใช้ทําประโยชน์มันก็เป็นประโยชน์ถ้าเอาไปทําร้ายผู้อื่นมันก็เป็นโทษได้งั้นลายมันเป็นเพียงเหมือนกับเป็นเครื่องมือที่เราสามารถจะนําเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์หรือเกิดโทษกับเราก็ได้ถ้าเอาไปด่ากันใช้วาจาพรลพสวา่า การใส่ความกันสร้างความโ ก, กรธเกลียดอาฆาตพยาบาตต่อกันอันนี้มันก็มันก็ไม่เป็นประโยชน์เป็นโทษเป็นบาปได้คำถามจากคุณแพตค่ะเคยอ่านเจอจากอินเทอร์เน็ตว่าพระเจ้าพิมพิสารได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วบรรลุเป็นพระโสดาบันแต่หลังจากตายเพราะพระเจ้าอาชาติศัตรูตายแล้วไปเกิดเต็มยักษ์อยากทราบว่าพระโสดาบันสามารถเต็นยักษ์ได้หรือคะ ไม่ไม่ราบายักษ์นี่มันเป็นอยู่ในอบายหรือเปล่าถ้าไม่อยู่ในอบายถ้าเป็นพวกเทพก็ยังก็ยังเป็นได้เพราะว่าพระโสดามันจะไม่ไปเกิดในอบายคือไม่เกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายหรือไปตกนรกยักษ์นี้อาจจะเป็นเหมือนกับพญานาคเป็นพวกเทพชั้นต่างเทพนี่มันมีหลายหลายชั้นด้วยกัน ถ้ายักษ์ถ้ายักษ์นี้ถือว่าเป็นพวกเทพก็ยังไปเกิดได้แต่จะไม่ไปเกิดเป็นเดรัจฉานไม่เกิดเป็นเปรตไม่เป็นรัศวลากายไม่ไปตกนรกเพราะฉะนั้นที่ดูในหนังนี่คือพระเจ้าพิพิารานฆ่าตัวตายเพราะว่าไม่ต้องการให้ลูกเนี่ยตัดสินใจมาเป็ น, เ ป, นเป็นคนเป็นคนมาฆ่าพระเจ้าพิพิสาร อ, อันนี้เนี่ยจริงๆแล้วจินๆแล้วพระเจ้าพิพิสารตัดสินใจผิดหรือเปล่า ไม่แน่ไ ม, ไม่ไม่น่าใจว่าถูกเป็นความจริงหรือเปล่าถ้าเป็นพระโสดาบานะันแล้วท่านจะไม่ฆ่าตัวตายหรอกคนที่ทําหนังอาจจะบิดเบือนความจริงหรือเปล่าตอนตอนนั้นตอนตอนนั้นพระเจ้าอยู่สถานนี้ถูกถูกจับอยู่ในทุกขนะฮ ะ, ะแล้วก็คิดว่าคิดว่าต่อไปพระเจ้าอาชาติศัตรูนี่จะจะมาฆ่าตัวเองก็เลยตัดสินใจฆ่าตัวเองไปก่อนแล้วมั น, เ ป, นเป็นในในพระยวีดีโอเขาบอกว่าอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ทราบอ่ เพราะว่าถ้าตามหลักของมัสสุดาบัณฑ์ท่านก็จะไม่ฆ่าตัวตายนแต่ท่านจะให้คนอื่นฆ่าท่านได้แต่ท่านคงไม่ฆ่าตัวท่านเองครับเพราะตอนนั้นรับรับมีดมาจากรับมีดมาจากทหารคนสนิทนะครับทหารคนสนิทเป็นคนยื่นมีดให้อืมแต่ในรายละเอียดไม่ทราบว่าท่านฆ่าตัวตายหรือเปล่า มีอะไรอีกไหมยังไม่มาไหมบอกว่าเป็นยักษ์ในชั้นจาตุมหาราชิกาค่ ะ, ะ เ, ปเป็นเทพใช่ไหมเป็นเทพถ้าเป็นเทพก็ไปเกิดได้เพราะพระสวดาบานนี้จะปิดประตูบายแต่ยังไปเกิดเป็นเทพกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ไม่เกินเจ็ดชาติถึงจะก้าวขึ้นไปสู่ชั้นที่สูงกว่าคือชั้นอนาคามีสกิดาคามี ถ้าได้ชั้นอาณาคามีก็ยังต้องไปเกิดบุญชั้นพรมอยู่ถ้าได้เป็นผ้าอารหันตะ์ถึงจะไม่ไปเกิดในชั้นดใดทั้งหมดในสวรรค์ทั้งทุกชั้นเพื่อพบของมนุษย์นกะ็จะอ ย, อยู่ที่นิพพานแทนคําถามจากคุณโชคละดาจิตผู้รู้ไหลออกไปจากขันเกิดกระแสสองอย่างข้างเกิดดับข้างล่างทุกเป็นกระแสทุก อยากทราบว่าคืออะไรคะไหนอ่านไหมพี่จิตผู้รู้ไหลออกจับขันเกิดกระแส ส, สองอย่างข้างเกิดดับข้างล่างเป็นทุกข์เป็นกระแสทุกข์อยากทราบว่าคืออะไรคะข้างเกิดดับข้างล่างเป็นกระแสทุกข์ไม่รู้เหมือนกันขอผ่านไปก่อนเกณฑ์มาใหม่ดีวกว่า คำถามจากคุณต้นทุนค่ะอ่านข่าวอ่านข่าวหนังสือพิมพ์ในวันที่ถือสีแปดผิดสีหรือเปล่าครับไม่ควรเพราะว่าเราต้องการที่จะดึงใจเข้าข้างในถึงแม้ว่าจะเป็นข่าวสารก็ตามมันก็จะมาลบกวนใจเราได้จะทำให้ใจเราไม่สมงบงั้นถ้าเราต้องการรักษาสีแปดเพื่อที่เราจะมาภาวนาเราก็ไม่ควรที่จะสนใจไปหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆถึงแม้ว่าจะเป็น รูปเสียงกีดนอดที่มันอาจจะไม่ได้ทำให้เรามันก็ไม่ควรเพราะว่ามันก็ยังเป็นความอยากอยู่อยากจะรู้อยากจะเห็ น, หนเรื่องราวต่างๆอยู่ก็ไม่ควรอย่าไปดูอย่าไปดูอย่าไปฟังอะไรทั้งหมดนอกจากมันมาเองเช่นเราเดินไปแล้วมีเสียงข่าวเข้ามาในหูเรา่างนีอ้อันนี้ ก็ฟังได้ได้ยินก็ไม่ผิดศีลอะไรบางทีภาพไปบินระบาดเดินผ่านบ้านญาติโยมกำลังเปิดทีวีกำลังโชคมวยอยู่นี่ก็ดูมันก็อย่างนี้ก็ไม่ในบาปเพราะไม่มีเจตนาที่จะไปดูแต่มันมีผ่านสายตามาดูแล้วก็อย่าไปยึบไปติดมันก็อย่าไปเกิดความอยากดูเดี๋ยวรีบกลับมากุติมา <c oughs> <c oughs> มาหาดูคำถาม เซดีมาค่ะพระโสดาบันจะมีอุเบกขาตลอดไหมคะจะมีอุเบกขาเฉพาะเรื่องของร่างกายเรื่องของความเจ็บความตายของร่างกายใจท่านจะเฉยเฉยไม่ไม่มีความรู้สึกอะไรกับความเป็นความตายความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายแต่เรื่อ ง, ยงอย่างอื่นยังยังมีอยู่เรื่องของการอารมณ์ยังมีอยู่ยังเห็นภาพสวยๆงามๆรูปรูปหล่อๆเหลาๆก็ยังเกิดอารมณ์รัก กิดอารมณ์ชอบขึ้นมาได้อยู่คําถามจากคุณลาวันค่ะรู้สักแต่รู้เห็นสักแต่เห็นหมายความว่าอะไรคะก็เห็นเฉยๆรู้เฉยๆไม่ได้ไปปรุงแต่งเช่นได้ยินเสียงเขาด่าเราก็ได้ยินเฉยๆอย่าไปปรุงแต่งอย่าไปตอบโต้อย่าไปมีปฏิกิริยากับเสียงที่เราได้ยินเขาด่าเราก็อย่าไปโกรธอย่าไปเสียใจ เอามาให้เฉยๆเหมือนกับเราได้ได้ยินเสียงจริงจบบางทีเราเฉยนะเฉยใชนะ่ไหมหัดเฉยแบบเราแบบได้ยินเสียงอะไรก็เป็นเสียงจริงจกไปเปรียบเทีย บ, บไว้ใครด่าแล้วก็เสียงจริงจกจุ๊บจุ๊จุจุ๊จจไปให้ให้เฉยไว้อย่าไม่มีอารมณ์กับสิ่งที่เราได้รับรู้รู้เฉยๆคำว่าความหมายอย่างนั้น คำถามจากคุณลมบนให้เงินเดือนคุณแม่ทุกๆเดือนอันนี้สองต่างจากให้ทานพระสงฆ์หรือไม่ครับไม่ต่างแล้วละพ่อแม่ของเรานี่ก็เป็นพระอารหันต์ของของเราอยู่แล้วทําบุญกับพ่อกับแม่ก็ได้เท่าเท่ากับทําบุญกับพระอารหรรันต์นั่นแหล องถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามเรื่องคนขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดพอลีมีญาติขายอยู่ค่ะจะทำอย่างไรจะช่วยให้เขาไม่บากคะเพราะเขาบอกว่าเป็นข้อตกลงจากบริษัทซีพีที่เขาต้องสั่งซื้อเป็ดล่วงหน้าจะเอาขีดตัวเขาคิดว่าโรงงานค่าจำนวนมากอยู่แล้วค่ะ <c oughs> สั่งเป็ดเทียมมาขายเอาร้านเจนี่เดี๋ยวนี้เํามีเป็ดเนื้อเป็ดนะบางทีดูนี่คือว่าเป็นเป็ดจริงๆเนีออเอาเป็ดเทียมมาขายด้วยนะคาถามจากคุณสีดิษั์คําแปลบทสวดพิจรารณาสังขารตอนท้ายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาความเข้าเป็น ค, ความเข้าไปสงบระ ง, งับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งกับเรียนถามว่าสังขาร น, นี้เป็นสังขารหรือสังขารในนามขันสังขารในนามขันเพราะว่าเหมือนเป็นความคิดปรุงแต่งที่ทำให้เกิดความอยากต่างๆขึ้นมาพอเราหยุดความคิดปรุงแต่งได้ความอยากต่างๆก็หยุดไปพอไม่มีความอยากใจก็สงบระ ง, งับเป็นนิพพานขึ้นมา คำถามจากคุณสมพงศ์กรณีที่พระภิกษุขเผาตัวตายในเวียดนามที่รัฐบาลทำลายพระพุทธศาสนาช่วงที่เขาประท้วงกันเป็นบาปหรือเปล่าครับบาปฆ่าตัวตายก็บาปค่าคนอื่นก็บาปคำถามจากคุณโชควราจิตผู้รู้ไหลออกไปจับขันเกิดกระแส ส, สองอย่างข้างบนเกิดข้างล่างดับ ข้างบนเกิดดับข้างล่างเป็นกระแสทุกอยากทราบว่าคืออะไรคะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหกันคำถามจากคุณหนึ่งรือไทยค่ะสัญญากับวิญญาณต่างกันยังไงคะคือวิญญาณนี้เป็นตัวที่ไปรับรูปเสียงกลิ่นรสมาจากร่างกายมาส่งให้ที่ใจใจเป็นเหมือนกับ คนที่อยู่ในบ้านไม่ได้ออกไปข้างนอกหรือส่งหุ่นส่งร่างกายออกไปข้างนอกแล้วก็ใช้กระแสวิญญาณนี้เกาะติดที่ตาหูจมูกนี้วกายเหมือนสมัยนี้เราใช้หุ่นบางทีเราอยู่ที่หนึ่งแล้วเรามีหุ่นอยู่อีกที่หนึ่งหุ่นเขาก็มีกล้องมีไมโครโฟนที่รับที่ถ่ายภาพกับรับเสียงแล้วก็ส่งมาให้กับคนที่ควบคุมหุ่นอีกทีนึง่งเวลาเขากู้ระเบิดนี้เขาจะไม่ได้ ไปกับตัวหุ่นกู้ระเบิดเพราะเพื่อความปลอดภัยถ้าเกิดอะไรระเบิดขึ้นมามันก็จะระเบิดที่หุ่นไม่ระเบิดที่คนควบคุมเครื่องแต่คนควบคุมเครื่องก็ได้รับข้อมูลจากหุ่นคือกล้องวิดีโอที่เขาถ่ายภาพเขาก็จะส่งสัญญาณมาให้เสียงที่เขาได้รับเขาก็ส่งสัญญาณมาให้ตัววิญ ญ, ญาณ น, นี่ก็เป็นตัวที่ทำหน้าที่แบบนี้คือเป็นผู้ที่ไปรับรูปเสียงกลิ่นรสจากตาหูจมกูกนิ้นกายมาให้ใจ ส่วนสัญญาเป็นผู้ที่จดจำรูปเสียงกิรตลดต่างๆที่เคยได้เห็นแล้วแล้วพอมาได้ยินได้รับ ไ, ได้รูปเสียงกีรติลดใหม่สัญญาก็จะมาดูว่าเป็นรูปเสียงกิรตลดที่เคยเห็นหรือยังถ้าเห็นก็จะจำได้ว่าอ๋อนี่เป็นรูปของนายกรูปของนางนางขอเป็นเสียงของเด็กเป็นเสียงของผู้ใหญ่อะไรทํานองนี้นี่คือหน้าที่ของสัญญาเป็นผู้ที่จะแปล รูปว่ารูปต่างๆหรอนี้เป็นรูปของไขนบางทีเราถ่ายภาพไว้ต้องนานเราแล้วเรามาเปิดดูบางทีเราก็ต้องนึกก่อนใช่ไหมว่าไ อ, อไอ้นี่รูปของไข่อันไหนเกิดกําลังใช้สัญญากําลังนึกว่ารูปนี้เคยเห็นมาก่อนหรือเปล่าเป็นรูปของไครไอพอมีสัญญาพอรู้แล้วว่าเป็นรูปคนนั้นคนนี้มันก็จะเกิดเวทนาขึ้นมาเกิดความรู้สึกขึ้นมาถ้าเห็นรูปที่เราชอบก็เกิดความสุขใจขึ้นมา ถ้าเห็นรูปที่เราไม่ชอบก็เกิดทุกข์ใจขึ้นมาเช่นเห็นแบงค์นี่มันก็เกิดความสุขใจคร้าส่งจดหมายมาเปิดดูอมีธนบัตรใส่เข้ามาก็เกิดความสุขใจถ้าเกิดเป็นบินเก็บเงินขึ้นมาก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแล้วพอเกิดความสุขใจก็จะเกิดสังขารความอยากความคิดขึ้นมาก็จะคิดไปทางความอยากออยากได้รูปนี้นะอยากจะเก็บรูปนี้ไว้อ ถ้าเป็นรูปที่ชอบก็อยากจะเก็บไว้ถ้าเป็นรูปที่ไม่ชอบก็อยากจะโยนทิ้งไปสังขารก็จะทำหน้าที่นี่คือหน้าที่ของขันทั้งสี่ที่ไม่ว่านามขันเริ่มต้นที่วิญญาณวิญญาณขันจะรับรูปเสียงกลิ่นรสเข้ามาสัญญาก็จะมาแปลว่ารูปเสียงกลิ่นรสนี้เป็นรูปอะไรเป็นใครเราก็จะเกิดความรู้สึกเวทนาขึ้นมาสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ขึ้นมาแล้วก็จะเกิดสังขารความคิดปรุงแต่ง สั like, ate, ่งให้ร hmm ่างกายสั่งให้ร่างกายไปทำอะไรกับสิ่งเหล่านี้ถ้าชอบก็สั่งให้เก็บไว้ถ้าไม่ชอบก็สั่งให้โยนทิ้งไปแล้วถ้าเก็บไว้ไม่ได้ก็ทุกข์ใจหรือถ้าสั่งให้โยนทิ้งไปก็โยนทิ้งไม่ได้ก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าไม่อยากทุกข์ใจก็ต้องอย่าใช้สังขารให้รู้เฉยๆอย่ที่พระเจ้าสอนอย่าไปอยากได้อะไรมาแล้วเห็นอะไรแล้วก็อย่าไปอยากได้หรืออย่าไปอยากโยนทิ้ง เ, เฉยๆรู้เฉยๆฟังเฉยๆไปใจก็จะไม่ทุกข์ที่ทุกข์เพราะสังขารของเราเนี่ยความคิดผุงแตกที่จะคิดไปในทางภาวะตันหาหรือวิภาวะตันหาถ้าอยากได้ก็เป็นภาวะตันหาถ้าอยากทิ้งก็เป็นวิภาวะตันหานนอย่าไปอยากเห็นอะไรได้ยินอะไรแล้วก็เฉยๆไปคำถามจากคุณโอโมโอพระอาหารหันต์ท่านตัดอวิชชาได้แล้ว แต่ทำไมบางสำนะักเขาไม่เอาคำพระอรหันตเหล่านั้นถาว่าอารหันสาวทำผิดเพี้ยนจึงเอาแต่พุทธวจนะเท่านั้นอยากถามว่าพระอรหันท่านตัดความรู้ความไม่รู้ไปแล้วไม่ใช่หรื อ, อครับแล้วจะแล้วคำพูดจะผิดหรอครับก็แล้วแต่ว่าเป็นอรหันจริงอ ร, อรหันปลอมเองแต่อรหันปลอมมันก็ยังก็อาจยังพูดยังพูดไม่จริงได้ แต่ถ้าเป็นอาหารอาหารหันจริงแล้วก็พูดเหมือนกับพระพุทธเจ้าไม่ไม่ต่างกันเนี่บางทีสมัยนี้เราก็ไม่สามารถที่จะไปรับรองหรือพิสูจน์ว่าคนนี้จริงหรือไม่จริงจะมารู้ก็ตอนที่ตายไปแล้วเี่ตายไปแล้วกระดูกกลายเป็นพระธาตุนี้ก็จะรู้ว่าออองค์นี้เป็นผ้าอรหันจริงแต่องค์ที่ตายไปแล้วแล้วกระดูกไม่เป็นว่ะธาตุก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้เป็นผาา้าอรหัน พราบางองค์ก็ยังไม่มีเวลาที่จะซักพอกอร่างกายให้เป็นธาตุเช่นเป็นนล้วอยู่ไม่ได้ไม่นานเวลาที่จะจิตที่บริสุทจะซักพอกธาก็มีน้อยตายไปกระดูกก็ยังไม่กลายเป็นพระธาตุก็มีแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าท่านไม่ได้เป็นพระอาหารหันต์แค่นี้ก็แล้วแต่คนฟังก็แล้วกันถ้าฟังแล้วไม่มั่นใจว่าเป็นพระอาหันต์จริงหรือเปล่า มั่นใจกับคําสอนของพระพุทธเจ้าในพระไตยปิฎกก็เอาพระไตรปิฎกเป็นอาจารย์ก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรแล้วแต่ความพอใจความเชื่อความศรัทธาคําถามจากคุณหนึ่งไทยค่ะแล้วจะทําให้สัญญาหมดไปยังไงคะอ๋อสัญญามันก็บางทีมันก็ลืมได้เราไปทําอะไรมันไม่ได้แล้วแต่มันบางทีมันก็ลืมบางทีถ้านานๆเข้าไม่ได้ไม่ได้เห็น คนนี้ไปต่อไปก็ลืมได้แต่สัญญามันไม่หมดมันก็ต้องทำหน้าที่ของมันไปนามขันนี่มันอยู่กับอยู่กับจิตจิตไม่ตายนามขันก็ไม่ตายเนี่ยจิตใช้นามขันเป็นเครื่องมือในการที่จะไปรับรู้สิ่งต่างๆผ่านทางร่างกายหรือผ่านโดยติดต่อกับจิตกับจิตโดยตรงเช่นพระพุทธเจ้าเวลาติดต่อกับเทวดานี่ก็ใช้นามขันติดต่อกันใช้สัญญาสังขานวิญญาณติดต่อกัน คำถามจากคุณสมสุขถ้าเราเพาะสุนัตหรือสัตว์เลี้ยงขายเพื่อความสวยงามบาปไหมคะอ๋อถ้ามันไม่ตายไม่บาปหรอกถ้าไม่เอาไปฆ่ามันคำ ถ, ถามจากผู้ไม่ประสงออกนามการที่เราไปรู้ว่ามีคนที่เรารู้จักมินทาเราเราไม่ต่อว่าแต่ห่างออกมาเขากลับไม่พอใจที่เราไม่คุยด้วยเหมือนเดิมเราควรวางตัวอย่างไงคะ ก็ไม่เห็นเสียหา ย, เ, ยเราก็อยู่เฉยๆของเราไปในเมื่อเขาไม่ชอบเราเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาก็เราก็ไม่ได้ทําอะไรให้เสียหายเขาจะไม่พอใจก็ช่วยไม่ได้เขาควรจะโทษตัวเขาเองว่าเราทําไมไปพูดไปด่าเขาทําไมไปด่าคนอื่นทําไมเมื่อด่าแล้วมีใครก็อยากจะอยู่กับเรารู้เปล่าก็ต้องโทษตัวเองอนะที่วาจาไม่ดีถ้าวาจาดีก็คงจะไม่มีผลอย่างนี้ตามมา จากคุณหญิงถ้ามีพระสงฆ์ส่งลายมาหาโยมผู้หญิงแต่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องพระผิดพระวินัยไหมคะถ้ามันเป็นการติดต่อกันเพื่อเป็นการกระทำประโยชน์เช่นทำทำบุญทำอะไรนี่ก็ติดต่อกันได้สมัยนี้ถ้าไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องชู้สาวเรื่องเกี่ยวเกี่ยวลาพาษีกันถ้าเป็นเรื่องธุรกิจเรื่องกิจกรรมของ ของของสงของวัดอะไรนี่ก็ทาได้คำถามจากคุณราศีมีพระอาหารหันต์ที่ไม่ฟอกภาพขันของท่านบ้างไหมคะก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะพระลานมีต้องเยอะแยะแล้วก็ไม่มีใครไปสำรวจ ด, ดูเองแต่ว่าฟอกแต่ว่าฟอกฟอกฟอกมากฟอกง า, ายอยู่ที่เวลามีฟอกมากฟอกน้อยคำถามจากคุณเฉลิมพล อยากให้พระอาจารย์เล่าเรื่องที่ในหลวงกับสมเด็จพระสังฆราชองค์กรได้สนทนาธรรมร่วมกันที่ศาลาแห่งนี้ว่าเมื่อไหร่และองค์ท่านสนทนาธรรมกันว่าอย่างไรครับรายละเอียดเราไม่ทราบ เ, รเพราะเราไม่ได้อยู่และ ย, ยังไม่ได้มาที่วัดนี้เพียงแต่ทราบจากรูปถ่ายที่เขาถ่ายไว้แล้วทราบจากพระกญาติโยมที่เขาอยู่ในวันนั้น เวลาท่านสนทนาทำงานใครจะไปนั่งฟังได้ผู <c oughs> ้หลักผู้ใหญ่น่ <c oughs> มันอะไรกันนักหนา <c oughs> ไปไ ป, ไปมีรูปภาพอยู่ในหนังสือประวัติวัดยานไปดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์อันนั้นจะมีรูปภาพของในหลวงท่านเสด็จขึ้นมาช่วงนั้นท่านมาพัฒนาวัดยานเพราะท่านได้ทราบข่าวว่าสมเด็จพระสังฆราชได้ได้รับที่ดินจากญาติโยมบอยจากให้สร้างวัด ท่านก็เลยอยากจะมาร่วมสร้างวัดกับไมหรู้กับสมเด็จพระสังฆราชตอนนั้นสมเด็จพระสังฆราชท่านก็ชอบปิกวิเวกชอบหาที่สงบมีพระ้าจารย์กรรมาฐานรูปหนึ่งมาเป็นหัวหน้าพระสงฆ์ท่านก็เลยนําพาญาตโยมมาพัฒนาที่พระปฏิบัติทําบุญเขาชิโอนนี้เราก็มาสร้างศาลาหลังนี้ญาติโยมก็ช่วยกันแบกไม้ขึ้นมานะสมัยนั้นยังไม่มีถนนถนนยังสร้างไม่เสร็จ แบกไม้กันขึ้นมาไม้เป็นไม้ที่ญาติโยมเขาบริจาคจากบ้านเก่าที่เขาลื้อทิ้งออกมาแล้วตอนต้นก็ใช้มุงด้วยหญ้าแต่ตอนหลังนี่ก็มาเปลี่ยนเป็นสังกะสีเพราะมันทนทานกว่าถ้าใช้หญ้าเดี๋ยวทุกสามสี่ปีมันก็ผุก็ต้องเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆแล้วก็จมเลว่าสังฆราเวลาท่านมาปฏิบัติ จิตที่วัดยานมาสร้างกุฏิสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์ตอนค่ำท่านก็จะขึ้นมาประทับอยู่ที่บนเขาเนีมีญาติโยมสร้างกุฏิกระตอบเล็กๆให้ท่านไว้หลังนึ่งอยู่ข้างหลังทางเข้าไปทางในปา่าข้างบนนี้แล้วปอดีวันนั้นในหลวงท่านเสด็จมาตอนบ่ายมาดูโครงการพระราชดำริต่างๆที่วัดยานนก็เลยมาเฝ้าสมเด็จพระสังฆ ร, ราชที่บุญาลาหลังนี้ก็เลยสนทนาธรรมกัน ก็รู้ท่านนี้แหละไม่ไม่รู้อีกอย่างอีกอย่างก็คือเรื่องของสาราลังนี้พอวั น, นวันนั้นที่ในหลวงเสด็จมาปั๊บญาติโยมที่เป็นลูกศิษย์ของสมเด็จพระสังฆราชก็เห็นว่าสารามันท่านในหลวงจะมาอย่างนี้เดี๋ยวเกิดท่านมาอีกจะเอาสาลาแบบนี้รับเสด็จมันก็ไม่ไม่เหมาะไม่สมกับพระเกียรติ เขาก็เลยดาเนีว่าจะรื้ออันศาลาอันนี้ทิ้งเพื่อจะได้สร้างศาลาที่เหมาะสมต่อไปทีนี้พอชาวบ้านที่เขาขนไม้ขนอะไรมาปลูกเนี่ยเขาเพิ่งสร้างได้ไม่เสร็จไม่ได้กี่เดือนนแล้วพอจะมาลือ้อเขาก็ไม่พอใจเขาเสียใจก็พอดีชาวบ้านเป็นชาวบ้านที่พาไปบินบาตชาวบ้านบ้านอำเภอเนี่ย ชาวบ้านก็เลยบอกว่าถ้าลือ้อสาลาเขาเขาก็จะไม่ใส่บาตร <laughs> <laughs> พอไปพอพอไปเล่าให้สมเด็จพระสังฆราชฟังท่านบอกว่าอย่าลืออย่าลือ้อเป็นคําสั่งให้ลือ้อก็เลยเก็บมาจนถึงวันนี <laughs> <laughs> เ้เดี๋ยวไม่เดี๋ยวหัวข้าวอค่าท่าอ่ ะ, อะหมดนั่นนะเวลา